บางทีมิยอมคนหนึ่งท่านบอกว่าท่านอย่าพูดเร็วสิถานทําไมพูดเร็วยอมฟังไม่ทำเลยหลับเลยก็บอกเอาตายโทษพระอีกเนี่ยอามาก็พูดช้าๆอีกคนหนึ่งท่านพูดช้าจังมันยืดเยื้จะยากไงยมก็เลยหลับเลยไม่รู้าใจใครเลยเดี๋ยวนี้สรุปแล้วให้มาเป็นอะไรดีเนี่ยโอ้มนุษย์ี่ตามใจยากต่อไปเรองจริงนะพูดเร็วบอกฟังไม่ทำไม่ทันก็จะหลับ พวดช้าก็บอกมันยืดยาดก็จะหลับแล้วก็ทำไงแสดงไม่ไม่ใช่เป็นที่อาตมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมเป็นที่เราแล้วเอ้ยอมเวลาปกติเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ฟังธรรมะนี่มักหลับไหมเอ้ย แ, แปลกจริงเออเป็นโรคแปลกนะเนี่ยเคยไปหาหมอดูยวไหม้ำไมหมอตรวจ ด, ดินเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ย เป็นโรคฟังทาหลับเดี๋ยวหมอก็บอกดีแล้วยายดีแล้วลุงปกติย้ายลุงนอนไม่ก็หลับอยู่แล้ว <c oughs> เอามาคิดตรงนี้แหละบางทีมีบางคนนะเขาบอกว่าเทพทีพ่ทามาบรรยายไปฟังเขาเ อ, <c oughs> องเชื่อตั้งแต่ได้ฟังเทพไม่ค่อยปวดหัวทำให้หลับสะดวกขึ้น <c oughs> ออมาแล้วจะคิดบุญยังไงนะนอะหนึ่งใจเอาจะให้คิดบุญยังไงดีแบบเนี้ยจะให้คิดยังไงดีเออบางคนเขาหลับได้จริงเนี่ยแปลกดีฟังแล้วหลับก็ท่านพูดแล้วเพิ่นว่างไงเดี๋ยวเขาจะพาก็หลับเนี่ยถ้าถ้ามาบรรยายแบบนี้โยมเขาไม่ค่อยไปฟังหรอกถามเพราะอะไรมันถามกระตกเรื่อ ย, อยๆก็ว่ามันไม่ไปเพิ่นมันไม่หลับว่บาไงมันกต็ตกตื่นเรื่อยว่าไง ถ้าอย่างนี้หงุดหงิดก็ฟังแล้วหงุดหงิดโอ้เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้ยากนะยอมนะลําบากเนี่ยถ้ายอมลองไปกล่าวธรรมะนี่ลําบากมากลาบากในะคนกล่าวธรรมะในเวลาไปกล่าวถ้าลองอามาเดินตามพระสูตรจริงๆเลยนะเดินป๊อปป๊อป ป, ป, ปเดินไปตามคําสอนยิ่งไม่ต้องดูหน้ายอมแล้วนี่เนี่ยฟ้าพูดไปเรียบร้อย <laughs> แต่แปลกคนฟังได้ไม่ยาว กุศลเดี๋ยวนี้เราเราชักเดินกุศลกันได้ไม่ค่อยได้ยาวเลยนะอันนี้ภัยภัยมาเยือนเราแล้วนะใช่ไหมเพราะเราเดินกุศลได้บางครั้งไม่ถึงห้านาทีเลยมันจะมีอกุศลแจกเป็นระยะระยะอันนี้อันตรายแล้วอันตรายตอนไงไมอมมาเป็นนึกถึงอา น, นิสงส์ของเมตตาข้อคําว่าอาศัมบุญโโหกาลังกโรตีไม่หลงทําการลริยาเอ๊ะนี่มันแววแววจะหลงเหมือนกันนะเนี่ยวพวกเราใช่ไหม ถ้าปล่อยให้อกุศลแทรกยาวๆเนี่ยนะมันจะหลงตอนตอนใกล้าตายอะ่ะนั่นก็ระวังตรงเนี้เนาะป้องกันไว้ตอนที่เราใก่ไก่จะดับหรือใกล้จะเปลี่ยนภพชาติเนี่ยจะได้ไม่หลงใช่ไหมถ้าหลงทําการกิริยาเนี่ยลำบากเลยการกิริยาก็หลงตายอะ่ะหลงตายคนจะตายเพ้อไปทั่วเลยเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้อกุศลเนี่ยแทรกใจยาวเกินไปในชีวิตจริงเนี่ยเพราะการเจริญกุศลเนี่ยเขาต้องดูว่าตัวกุศลเนี่ย เดินได้เดินได้จริงไหมในชีวิตเดินเดินได้ยาวเดินได้ต่อเนื่องสมมุติเราเดินเรื่องของพุทธคุณไประยะหนึ่งเบีดเสร็จถ้ามันโอ๊ยหมดข้อมูลแล้วก็เดินกุศลตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ให้กุศลรองรับไปได้เรื่อยใช่ไหมออกจากกุศลประเภทนี้ก็ถ้าไปทํากิจอะไรก็ให้กุศลไปกับมุมนี้ไปเรื่อยเหมือนที่เรามีสที่รองรับ ไ, ไว้ทุกจุดใช่ไหมเหมือนเราจะเดินทางเนี่ยแปลว่ามีที่รองรับเบีดเสร็จ อ้าเราจะเดินทางปกติแล้วก็ไปแบบนี้จะไปตรงนั้นก็มีรถไฟฟ้าจะไปตรงนั้นก็นั่งรถเมย์จะไปตรงนั้นก็ น, น, นั่นนนงแท็กซี่แล้วเงี้ยมันจะมีจุดรองรับได้หมดอันนี้เหมือนกันเราจะต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานรองรับในการเริญกุศลได้ทุกสถานใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แปลว่าชีวิตเริ่มปลอดภยัยเพราะเราเดินกุศลได้ได้ยาวเดินได้สะดวกโดยเฉพาะกุศลศีลเนี่ยเดินได้เป็นวันนะเช่นแค่ศีลในข้อปฏิบัติต่างๆเลยเนี้ย เราเดินได้ใช่ไหมแล้วก็ในยามที่เราปฏิบัติตรงนั้นเบเ็ดเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงขึ้นถึงปฏิโมกสังวรศีลคือศีลหศีลที่เป็นศีลหลักเราเลยหรือศีลแปดตามที่บุคคลที่จะรักษาแล้วก็สุจริตสากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็สมาทานไว้เนี้ยเราก็เราก็สมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมรักษาได้ด้วยถ้าอย่างงี้ก็แปลว่านั่นชัดเจนที่ในเรื่องของก ร, รม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 ให้สังเกตดูว่าเจตนาแต่ละบุคคลจึงมีปริมาณที่แข็งแรงและอ่อนแอไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะเอาถามว่าเจตนาในการฟังธรรมเนี่ยเท่ากันไหมไ ม, ไม่เท่าหรอกกุศลของคนเราเนี่แข็งแรงหรืออ่อนแอต่างกันไห ม, ไมบางคนเนี่ยนั่งฟังเนี่ยไม่หลับได้ตลอดเนะ่ยฟังได้ต่ อ, เ น, อเนื่องแปลว่าอะไรเนี่ยกุศลก็แข็งแรงแต่บางคนทั้งทงที่ตั้งใจนี่แหละมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนั่งฟังก็ทางตามองอะไมาอย่างเงี้ย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 ไอ้เราก็ไปตั้งเปิดม่านตาฟังเนี่ยนะ <Okay. S 1> คําสอนเนี่ยมันกลงสู่ใจไม่ได้วิ่งเข้าดีตาที่ไหนแล้วใช่ไหมคนแปลกจริงพยายามทางตามองอะไรมาเขาก็กลัวเขาแต่มาไว้าทนี่ตาลอยแล้วเด็กคนนี้ตาลอยแล้วถ้าเป็นนักกีฬาเขาจับแพ้นะ น, นี่ใช่ไหมตาลอยแล้วไม่สู้แล้วนี่เออเคยเห็นคนนอนแล้วนอนแบบไม่หลับตาไหมนอนเนี่ยลืมตานอน ม, มีจริง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 เวลาฟังทำเนี่ยเขาคิดเขาวิจัยใช่ไหมมุมต่างๆเหล่านี้ยคนที่วิจัยตามมุมต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยทีน้ำมิท้ไม่ได้ช่องหรอกเพราะเพราะกุศลจิตทํางานอยู่เยอะตัวกุศลจิตที่ทํางานอยู่นั่นคือกุศลกรรมนะเจดนาที่ตั้งใจโดยนั้นเขาจัดแจงเขาทํากิจั้งเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเผลอใช่ไหมแบบความเคยชินไม่คิดปล่อยเพลินๆไแว๊บเดียวแล้วแทบทันทีเลยบาปจะแทรกเป็นระยะระยะเราสติสัมปชัญญะเราอ่อนเองัย เราไม่ได้ฝึกแล้วมันต้องฝึกนี่วิธีฝึกอามาแนะนํำยังไง ร, รู้ไหมแนะนําบอกเอา้ายมเอามาใบบรรยายยอมทํางี้ยอมเทพบุตรฟังเลยที่ก็เดินไล่ตามคําสอนนะที่ถูกต้องนะของใครบรรยายที่ถูกต้องนะเอาไปฟังถ้าหากไม่ถูกต้องก็ถามกรัญรยาณนะมิตรที่เขาศึกษาพระธรรมดีว่าเป็นยังไงเนี่ยพระทํามลักษณะนี้นะตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วเอาไปฟังลองฟังใช้สามียาบทฟังนั่งฟัง นั่งฟังถ้ามันจะง่วงยืนถ้าจะยืนถ้าจะจะยืนมันจะง่วงก็เดินฟังเดินทําอย่างงี้นะฝึกดูทีไม่หนักเข้าหนักเข้ามันจะฟังในยาบทเดียวได้โอ้ต้องเป็การฝึกหมดเลยในะชีวิตเนี่ยว่ถ้าไม่ฝึกเนี่ยไปไม่คยรอดหยือ ย, อ ย, ยอังอามาต้องฝึกฟังทำนะอามาที่จะมาบอกเราเนี่ยมาไปฝึกมานะฝึกอ๋อต้องทําอย่างนี้จริงๆรันที่อามาเนี่ยปิดไฟหมดแล้วามาก็เปิดเปิดไปเสร็จก็นั่งนั่งฟังแต่ามาจะนั่งนั่งได้นาน พอสักพักหนึ่งเกิดเมื่อยแล้วก็จะลุกยืนยืนถ้าเกิดรู้ไหมว่ายาบทยืนนี่ไม่สปายะเลยจิตส่งไปทั้งอื่นเลยค่อยๆเดินเพีย่ยนเนี่ยเขา ก, กลับมานั่งมาแล้วสังเกตดูอี้ยาบทไหนที่ที่คู่ควรโอ้ยาบทนั่งจะสะดวกกว่าแต่ก็ต้องมีการคลายไประยะต้องฝึกด้วยทีเดี๋ยวก็สติสมัมปชัญญะแข็งแรงทุกคนใช่ไหมมนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้แล้วฝึกฝนเพียรพยายามไม่ยากตัวเนี้ยตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกล่ม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 ถ้าเจตนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปแต่ทางกายกรรมก็เรียกว่าเป็นเยไปกับทางกายเรียกกายกรรมถ้าหากว่าเป็นเจตนาที่เป็นในอกุศลก็เป็นอกุศลกรรมใช่ไหมถ้าเป็นไปกับกุศลก็เรียกกุศลกรรมดงนั้นตัวกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยถ้าหากเป็นไปในส่วนของศีลก็เป็นกุศลเจตเป็นกุศลกรรมและก็กายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลเป็นศีลและเจตนาตัวเนี้ยที่ท่านใช้คําว่าเป็นพีชะทิธานกิจ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 เป็นผลยังไงกุศ ล, ลกรรมให้ผลเป็นทุกเเป็นสุขเป็นทุกยังไงเป็นต้นหรอเนี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้เราดูจากคำสอนดูจากคำสอนเนี่ยถ้าตัวปัญญาเขาไปวิจัยอะไรไปวิจัยเรื่องเรื่องกรรมด้วยดังที่ได้กล่าววิจัยตัวเจตนากรรมแล้วก็วิจัยก็เรียวเรื่องกับผลผลของเจตนากรรมเป็นต้นในด้านคำสอน ที่ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะอดูวิบากถ้าบอกว่าในกุศลเจตนานะที่เป็นไปในบาปประทับต่างๆเหล่านี้นะถ้าเว้นจากปานาติบาตใช่ไหมตัวปัญญาเขาจะไปวิจัยบอกว่าถ้าเว้นจากปานาติบาตเนี่ยในคําสอนอาจารย์บอกว่าด้วยอนิสงฆ์ถ้าระงดเว้นจากการฆ่า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 ในกระดูกในเยื่อในกระดูกในม้ามในไตในตับในหัวใจในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยอ่ะสิ่งต่างๆในกะเละในสรีระทั้งสิ้นที่เป็นส่วนของกายเนี่ยนะที่เป็นที่ประชุมของไม่สะอาดทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่ากายทั้งหลายนี่แหละเพราะสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายมาประชุมกันในกายนี้จึงเรียกว่ากายใช่ไหมประชุมกันอยู่กันเเรียกว่ากายเช่นผมที่ไม่สะอาดก็มาอยู่ในที่นี้แหละ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 เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ค่าไม่ประทุสร้ายเข้ามายกตัวอย่างเลยนะถ้าคนที่ถูกทบถูกตีเนี่ยความคิดคนอ่านเขาจะแย่ลงไหมยแย่ไหมเขาแย่บางคนถูกทุบสมองสูกตีอะไรเงี้ยฉะนั้นเห็นไหมเนี่ยกรรมพวกนี้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันก็เล่นเราเนี่ยกลายเป็นคนอื่นอา่านคิดอะไรก่อช้า สุขภาพก็ไม่ค่อยดีตาก็เสียฟันก็เสียแม่พูดอย่างเงี้ยมาไม่ต้องไปยกในตำรายกตัวเองหมดเลยยกเงี่ยนะมาโอ้ยเห็นโทษเลยเดี๋ยวไม่เอาแล้วทีนี้เป็นคนถึงพร้อมด้วยความเวนไวายเป็นคนที่เท้าตั้งไว้เป็นอันดีเท้าก็ตั้งดีเป็นคนที่สวยงามด้วยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วกล้าเป็นคนที่มีกำลังมากนี่อันที่สอเนี่ย เป็นคนที่ก็ปแปลกอย่างนะเป็นคนที่ที่มีถ้อยคำที่ดีนะเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของชาวโลกเป็นคนที่ไม่มีโทษเป็นคนที่มีบริษัทบริษัทก็ไม่แตกล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ขันคล้่ต่อต่างๆด้วยค็ออย่างนี้ให้สังเกตไหมสมัยก่อนนะไอ้มาเคยสังเกตว่าไอ้คนบางคนเป็นคนขี้กลัว เกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวเคยเห็นไหมนะตัวเล็กๆ เ, เนี่ยแต่สามารถเข้าปู่อยู่ในวงของผู้ชายได้บางทีเนี่ยเข้าไปในแวดวงของผู้ชา ย, น, ยน่ากลัวนะเช่นไปไปทํางานมีกลุ่มผู้ชายเยอะแยะเป็นเศษแต่เขาไม่กลัวหรอกแล้วเขาปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ไม่กลัวอย่างเดียวแล้วไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ากรรมนี่เขาทำปนานอาทิบานไม่มีไงเป็นต้น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 แปลว่าอะไรก็แต่ฐาคตศีลบา ร, รมีเต็มแล้วคนศีลบา ร, รมีเต็มแล้วจกไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นพระโมฆลลานะยังต้องทุบโดนทุบนะเห็นไหมเนียนบริบูรณ์ใครใครต้องการไม่ฆ่าไม่ตายเนี่ยต้องสัมมาสัมโพธิญาณใครจะพยายามปทัทธร้ายยังไงอย่างดีก็ทําให้นิดๆหน่อยๆ ห, ห่อห่อพรลหิตแค่นั้นแหละ นี่ไงคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นอันที่สองของปานาติบาที่ห้องงดเว้นจากการปานาติบาทไหมว่าบริบูรณ์มากใช่ไหมเป็นคนมีรูปร่างสวยเป็นคนมีบริวารมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมไม่น่าจะเกี่ยวข้องบริวารเพราะไม่ไปประทุษร้ายใครไงเป็นคนมีสวดทรงงามเป็นคนที่มีโรคน้อยเป็นคนที่ไม่มีความโศกเป็นต้นอะไรเนี่ยนะไม่ต้องพัดพลากจากสัตว์และสังขารเป็นที่รักที่ชอบใจและแล้วก็อายุยืนด้ย อันนี้คือไม่เบียดเบียนด้วยนะรวมเบสเร็จคือไม่เบียดเบียนด้วยเป็นต้นเ่าเนี้ยถ้าหากว่าตรงกันข้ามล่ะทุพพลภาพไหมปัญญาไปวิจัยแล้วถ้าผิดศีลก็แรกเลยทุพพลภาพรูปงามไหมอ่อนแอหรือแข็งแรงว่องไวหรือเฉยชา้าเป็นคนขี้ขาดไหมหวาดระแวงไหมโอเป็นคนหวาดระแวงอยู่ที่ไหนกลัวก็หมดทาไมถึงกลัว เพราะในสังสารวัฏไปทำเขาวเยอะเ mm hmm. บียดเบียนเขไว้มากแล้วแล้วเนี้เป็นคนขี้ขลาดต่อใัยมากแล้วก็มีสองอย่างนะถ้าท่านทั้งหลายทำปานาติบาตค่าสัตว์ค่าแมลงค่าอะไรนะจำไห้โดนฆ่าตายหรือฆ่าตัวเองตายโอ้อามาแต่ก่อนออามาไม่ไม่เคยคิดเลยนะ มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกันมาให้ฟังอามาป่วยหนักมากเลยนะอามาเป็นพระนะลองคิดดูว่าป่วยหนักนอนโรงพยาบาลโอ้โหตอนนั้นป่วยรอรอวันตายอะ่ะไม่มาสทัทีโอ้โหโถมมันหนักมากตอนนั้นตัวก็บวมเดินไม่ได้นอนซมเป็นเดือนเดือน แล้วตอนนี้มันนั่นทุกวันทรมานมากต้องทนต้องคลางในใจตลอดนึกในใจรอรออยู่นั่นแหละรอนี่มันนานมากนะการรอวันนั้นน่ะในวันที่เราจะถึงวันนั้นนานตอนนั้นมันมันนกสการพลาดหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันหลงลืมวุ้บหนึ่งเลยเนี่ยคิดเรื่องอะไรรู้ไหม จะปีนลงหน้าต่างของโรงพยาบาลเพราะอามาเนี่ยปราถนาไม่รักษาและมาถูกบังคับให้รักษาไงอามาก็บอกว่าหมอทําไมต้องรักษาด้วยหมออามาไม่เคยเต็มใจเลยนะอามาต้องการกลับไปไปมาเขาก็เลยคอยปิดไว้เลยคอยดักไว้เลย เนี่ยมากันนึกในใจทํำยังไงนักเข้าพอมันเริ่มปรุงแต่งวิธีคิดผิดมากนะอันมาคิดคลานออกหน้าต่างอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยโทษของปานาดีบาถินไหมเนี่ยโทษของปานาดีบาทนะท่านทั้งหลายนเนี่ยแล้วเราไม่เคยทํามามีไหมในสังสารวัตรถ้ากรรมนั้นมันมาให้ผลเมื่อไหร่มันจะทำให้ความคิดเราวิปลิตนะน่ากลัวฉะนั้นรีบจเจริญกุศลตอนสติสัมปชัญญะดีๆ อย่าไปเจริญตอนป่วยจะไปได้ไม่ดีหรอกรีบเร่งได้แล้วเ <c oughs> นี่ยรีบเร่งได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นรืในตำหรับตำลายังพออ่านและชังได้บ้างใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเห็นชัดเลยเนี่ยมีโรคเบียดเบียนมีบริวารก็พี่นาถเป็นคนมีอายุสั้นไม่ยืนหรอก <c oughs> นี่คือโทษอันนี้ปัญญาใช่ไหม ที่มาวิจัยตรงนี้ใช่ไหมหลังจากฟังคําสอนแล้วก็รวบรวมเมตผลเบ็ดเสร็จแล้วแปลว่าไงกุศลศีลแข็งแรงไว้แต่เนี้ยโอ้โหทีน้อมกุศลศีลเราจะไม่กล้าเบียดเบียนใครทางกายทางวาจาหรอกแต่เนี้ยวันเบียดเบียนตัวเองในอนาคตหน่อนาคตอันไกลในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในสังสารวัตรด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็เดินปัญญาก็เดินแล้วแข็งแรงในลักษณะนเนี้ยเนี่ยแค่ในกรณีอย่างเนี้ย ถ้าถ้าในรักส่างนี้ก็จะมองเห็นหรือหรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าพิจารณาเนี่ยนะบอกว่าเอาเอาข้อสองนิดนึงในอธินาทานเนี่ยถ้าไปลักถ้าไม่รักมีปัญญาไปวิจัยตัวเจตนากรรมถ้าลองงดเว้นจากการรักได้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยกระแสของชีวิตไปในพบไหนเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมาก ทีนี้มีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็เป็นคนมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ต่างๆพ อ, พอเพียงอะพอเพียงขนาดไหนดูพรพิษัทคือมีจนว่าไม่รู้จะมียังไงให้ไม่หมดเนี่ยอันนั้นแปลว่าใบบุญเนี่ยนะทีนี้เป็นคนที่มีโภคาไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ตัวเนี้ยเราเคยเห็นคนบางคนใช่ั้มโอ้โหรวยรวยจริงๆต้องยอมเราเขาให้ทานได้ทุกวัน อย่างเราเนี่ยว่าจะทำได้ตอนนี้อามาคิดการให้ทุกวันได้แล้วพราะเป็นพระเนี่ยได้ให้ทุกวันให้ได้ต้องเจอพระเนี่ยเจอพระก็ให้ทุกวันแล้วเป็นคนที่มีโพคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นคือโพคาที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยเขาบอกเขาทาอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกลุ่มกลุ่มบุคคลเหล่าเนี้เพราะเขามีโพคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น แล้วเป็นคนที่มีโพคาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในโพคะก็คือจะไม่ไม่ค่อยเจ๊งอ่ะไม่เจ๊งโทษของอธินาทานเนี่ยบางทีมันเจ๊ง้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําทําอะไรไปแล้วมันหมดเนี่ยเราโทษอะไรดีกรรมใช่ไหมกรรมในปัจจุบันกับกรรมในอดีตมันเกื้อกูลกันไม่ใช่เฉพาะอาดีตยอย่างเดียวนะบางทีปัจจุบันกรรมเราผิดพลาด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 ทีนี้เป็นคนมักได้โพคาที่ตนต้องการได้เร็วมากใครเคยเป็นวะคิดอยากได้อะไรแล้วมันเร็วมาก <c oughs> ถ้าเอางี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบางทีท่านดำหลี่ใช่ไ้ยแค่ดำหลี่เนี่ยคนทาให้ลุ่มเลยอ <c oughs> นี่คืออะไรเนี่ย กุศลของท่านเพราะท่านไม่ทำมัทินาทานมาเ น, นี่ยดิดไงเพราะท่านดำริคนก็นั่นให้แล้วคนมีบุญทั้งหลายลองคิดดีลองท่านดำริให้ใครได้ยืนหน่อยวิ่งทําให้หมดเลยเามาๆนี่ดําหลิแทบแย่ไม่เห็นได้ผลเลยเลยดหลิแล้วก็ต้องนั่งรอหาอากาศยนื น, ยยนนั่นแหละใช่มไม่ไม่ทำไมก่อนเนี่ยนะก็าล้าดำริอะไรไม่เค่อยได้หรอกนี่แปลว่าอะไรเมกพูดถึงตรงนี้ ต้องยุ่งหลายอย่างให้ชีวิตงานออมาเนี่ยปาณาติบาตก็ไม่ค่อยก็งดเว้นจากปาณาติบาตก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในอดีตเนี่ยนะอาทินาทานก็ถ้าจะไม่ธรรมดาของงานออมาเนี่ยแต่นี้ก็เป็นคนที่มีโอค้าไปทั่วไปนะก็คือว่าพระราชาก็ดีโจรก็คือว่าพระราชาก็ไม่ลิบ คือถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ถูกยึดไม่ถูกยึดทรัพย์คนมีทรัพย์แล้วถูกยึดทรัพย์เพราะโทษของอธิาทานคนมีทรัพย์แล้วถูกโจรปล้นนั่นเพราะถทอของอธินาทานมีทรัพย์แล้วน้ำท่วมนั่นโทษผลก็อธินาทานเราเราเราเราทำผิดข้อนี้ไว้นะไฟไหมแล้วก็คนที่เป็นญาต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 ฉะนั้นตามในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเป็นผลของการผิดศีลข้อที่สตรงนี้ปัญญาเนี่ยแหละก็จะไปวิจัยเมื่อปัญญาไปวิจัยรู้ข้อมูลเบ็ดเสร็จอย่างนี้แปลว่าหนึ่งเห็นโทษของความทุศีลสองเห็นอ น, นิสงค์ของการมีศีลเบ็ดเสร็จที่มันชัดเจนนี้เบ็ดเสร็จก็ใจก็น้อมเห็นความเจริญของกุศลศีลนั้นตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสมมาอาชีวะโดยย่อ